มีกาลยานามิตรเป็นเพื่อนพระพุทธภาสิบบุคคลไม่ควรครบมิตรเลวไม่ควรครบคนตามช้าเลวสามควรครบกาลยานามิตรควรครบบุรุษผู้สูงสุดอธิบายความคนใดพอใจในอกุศุลกรรมในความชั่วคิดชั่วพูดชั่วและทําชั่วคนนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวการครบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นชื่อว่าคบกับคนเลวไม่ควรครบคนเช่นนั้นคนใดชักชวนในทางเสือ่อมเช่นชักชวนเล่นการทนัน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 พระสัสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารพรชันนะขณะประทับอยู่ในวัดเชเทวันมีเรื่องยอดดังนี้พระชันนะคืออดีตนายชันนะที่ทรงเสด็จพระศาสดาคราวออกมหาพิเนกรมคือออกผนวดต่อมาภายหลังได้บทในสนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เป็นคนมีทิฏฐิมานะจับถือตนว่าเป็นข้าเก่าวของพระศาสดาชอบพูดด่าว่าพิสูจนทั้งหลายมีพระอัครส า, าวกเป็นต้นว่า เมื่อคราวเราตามเสด็จพระาศาสดาออกมาหาพิเนสกรมมีได้เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่มาบัดนี้ท่านพงษนี้เที่ยวกล่าวอยู่ว่าเราคือสารีบุตรเราคือโมฆลลานะพวกเราเป็นอัครส า, าวกดังนี้เป็นต้นรวงความว่าพระช น, นะพูดด้วยความน้อยใจที่ตนมิได้รับการยกย่องในฐานะอันสูงส่งเช่นพระสารีบุตรพระโมฆลลานะบ้างในฐานะที่ตนเคยเป็นข้าช่วงใช้มาก่อน พระศาสดาทรงสราบพฤติการของพระชนะแล้วทรงสั่งสอนพระชนะไม่ให้ประพฤติเช่นนั้นพระชนะไม่ได้โตเถียงพระศาสดาเทอเนียงเฉยเสียแต่พอออกจากที่เฝ้าแล้วก็ไปเที่ยวดาว่าเสียศีลพระอัครสาวกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนถึงสามครั้งว่าไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะพระอัครสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมควรคบด้วยพระอัครสาวกทั้งสองนั้นโดยเคารพ พระสัสดาตรัสพระพุทธภาษิตในช่วงนี้เองว่านาพเชปาปเกมิเตเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นแม้กระนั้นพระชนะก็ยังด่าว่าพระอัคารสาวกและครูภิกษุทั้งหลายอื่นอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายได้นำพฤติกรรมของพระชนะขึ้นกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ชนะไม่รู้สึกตัวกลับตัวไม่ได้ แต่เมื่อเรานิพานแล้วช น, นะจะกลับตัวได้ต่อมาเมื่อพระสัสดาจวนปรินิพานพระอนนทูลถามว่าควรปฏิบัติต่อพระช น, นะอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ลงพรหมทันคือการลงโทษไม่คบหาสม า, าคมด้วยปล่อยให้ทำสิ่งต่างๆได้ตามปรารถนาไม่เตือนไม่ว่ากล่าวสั่งสอนเมื่อพระสัสดาปรินิพานแล้วพระอน์นประกาศพรหมทันแก่พระช น, นะท่ามกลางสง์ พระชนะทราบดังนั้นเป็นทุกข์มากเสียใจเป็นลมล้มสลบถึงสามครั้งเมื่อฟื้นขึ้นได้อ้อนวอนพระอานอนทว่าท่านผู้เจริญขอท่านยาทํากับกระผมอย่างนั้นเลยอย่าให้กระผมต้องที่ผายเลยด้วยอาการอย่างนี้พระชนะรู้สึกตนกราบตัวบําเพ็ญวัตถปฏิบัติต่างๆอยู่โดยชอบไม่นานนักได้บรรลุพระอารหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิธาทั้งหลาย